ก็เราวันนี้มาที่ส6เนาะที่เราจะได้เริ่มเขาแล็บกันเป็นบางกลุ่มวันนี้นะหลังจากที่เราได้ศึกษาเรื่องของอการเจริญสติแบบเคลื่อนไหวเพื่อให้เป็นหลักของใจนะพอใจเราถ้าไม่มีหลักแหล้วนี้มันก็จะแกว่งไปตาม ลมต่างๆแก่ไปทำธาตุลมของเราเรียกว่าอารมณ์ในตัวเรานี่มีธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟเพราะนั้นการเจริญสติเนี่ยมันเหมือนดโดยการทําให้ธาตุดินมีน้ําหนักเพื่อที่จะปลูกจิตวิญญาณของเราเนี่ยให้มันตั้งอยลงบนธาตุดินอันนี้นะเมื่อธาตุดินของเราเป็นที่ตั้งของจิตวิญญาณได้ลมธาตุลมก็พัด ไปให้หลุดไปไม่ได้นะท่าน้ำก็พัดพาไปไม่ได้ท่าดไฟก็ไม่สามารถจะเผาไม่ได้แต่ดินน้ำลมไฟก็จะกลายมาเป็นอุปกระคุณให้ต้นไม้ได้เติบโตนะะนั่นเอง <c oughs> เช่นเดียวกันการที่เรามาใส่ใจเรื่องนี้โดยการมาตอกย้ำด้วยการเพิ่มน้าหนัก ให้กับธาตุดินธาตุดินเนี่ยเราถูกจิตของเราเนี่ยอารมณ์หรือลมธาตุลมมันพัดพามาตลอดอมาตลอดหลายภพหลายชาติได้กับรลายกันถ้าเราไม่เริ่มมาเพิ่มกำลังให้กับธาตุดินความหนักแน่นของจิตใจแล้วเนี่ยเราก็ถูกลมซึ่งเป็นลมที่เป็น ส่งไปด้วยมลพิษเรือลมของกิเลสเรือกิเลสคำว่ากิเลสหรือพอลิชันอันเดียวกันพอลิช i ันไะม้ mind, เดรตี้ไม้มันก็ทำให้พัดพาเอาจิตใจของเราเนี่ยที่มันสะอาดมันค่อยๆแปดเปื้อนไปด้วยน ะ, ะนั้นเองการที่มาตอกยำ้ำทัดลมเบื้องต้นในหลักการของพอเทียนเนี่ยท่านจะเน้นไปที่รูปท่านรูปนาม ในรูปนั้นจะต้องมีน้ําด้วยในดินต้องมีน้ําด้วยถึงจะปลูกต้นไม้ขึ้นถ้าดินไม่มีน้ําจะปลูกอะไรก็ไม่ขึ้นเราจะปลูกจิตวิญญาณลงในรูปอันนี้ก็ต้องมีน้ําเหมือนดินต้องมีน้ำนะคาว่าน้าคือการจิตของเราที่ใส่ลงไปในการกระทํารูปคือส่วนที่เรารู้สึก สัมผัสได้ทั้งส่วนที่เป็นรูปประคันและรูปประธาตรูปมีสองรูปคือรูปประคันได้แก่รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณรูปประธาตได้แก่ดินน้ำลมไฟธาตุทั้งสีและรูปประธาต์ที่เองมันสร้างรูปประคันเพราะฉะนั้นทาตเดิมแท้มันมีสน่นมามันทำงานได้สม ดูนกันพอดีมันก่อให้เกิดธาตุมาอีกสองธาตุแล้วว่าอากาศเจ่าอากาศธาตุหรือออกซิเจนแล้วก็วิญญาณธาตุนะเพราะนั้นอากาศธาตุกับวายุธาตุเป็นอันเดียวกันหรือโคนละอันคนละอนนะวันนี้ก็ลมไม่ดีเลยกับวันนี้โอ้อากาศไม่ดีเลยต่างกันไหมต่างกัน อากาศดีอาจจะไม่มีลมลมดีอาจจะพัดเอาอากาศที่ไม่ดีเข้ามาเช่นแถวนี้มีลานตักมันรอบๆนี้ตรงนี้จะอยู่ยากนะนะมีโรงงานนะเรื่องอากาศไม่ดีถึงลมจะดีก็ตามแต่อากาศก็จะไม่ดีดัานะนั้นเองในความสมดุลของธาตุ4ดินน้ำลมไฟก็ให้เกิดอากาศสทธาตุคือออกซิเจนเพิ่มขึ้น H2 น, นะแล้วก็กเกิดวิญญาณธาตุตรงไหนที่มันอากาศไม่พอเนี่ยเราไปจุดไฟจะติดไหมที่อากาศไม่ดีในถ้ำในอะไรลึกๆเนี่ยนะแม้แต่เราลงไปในบอ่อลึกๆวันนั้นได้ข่าวที่ไหนว่าบ่ อ, บอของตกไปในบอ่อพี่ลงไปเอาปรากฏว่า อากาศไม่พอเกิดน็อกซุดลงไปน้องก็รีบไปช่วยน้องก็โดนไปอีกคนหนึ่งทั้งสองคนรวไปขาดอากาศพราไม่รู้เท่าไม่ถึงการขาดอากาศอาจจะตายได้ดังนั้นวิธีจะเอาอากาศเข้าไปทําไงก่อนที่จะลงไปโบราณเขาฉลาดเขาตัดกิ่งไม้ใช่ไหมถ้าเขย่าลงไปด้วยเขย่าเพื่อจะให้เกิดลมเพื่อไเพิ่มอากาศออกซิเจนนั้นลมก็ออกซิเจนก็อาศัยซึ่งกันและกัน นนเราเราไปในบ่อลึกๆอย่าลืม อ, อย่าลืมตัดกิ่งไม้และอะไรก็ตามเขยา่าเขยา่าเขยา่าเขย่าลงไปทพรานั้นเองในรูปประกอบด้วยธาตุสีขันห้านะธาตุคือดินน้ำลมไฟเมื่อประกอบกันเข้าแล้วก็ให้เกิดอากาศาธาตุวิญญาธาตุและวิญญาณธาตุนี่เองจึงมาสร้างขันห้าวิญญาธาตุจึงมาสร้างขันห้าขันห้ามีอดไ มาสร้างรูปรูปประทัดกับรูปขันต่างกันรูปประทัดคือทัตดินที่เห็นเป็นดุปเป็นแท่งนี่แต่รูปขันใครรู้จักรูปขันลองยกมือขึ้นชาวพุทธของเราขันห้าคืออะไรรูปเวทนาสัญญาสังขารมีญาณและรูปขันเป็นอย่างไรทุนสัมพันธ์เป็นเป็นรูปในความคิดอ่าเป็นรูปของความคิดเป็นอเม เร่จินตนาการใช่ไหมเป็น Image แต่อตัวนี้คือฟอร์มฟอร์มใชม่แต่ถ้าหากว่าเป็นตัวนั้นก็เป็นว่า Formless เลยไม่ใช่้ก็ใช้ว่านามจะใช้คาว่านามรูปะนามรูปใช้เป็น Image ตัเองนามรูปคืออิมเเพราะฉะนั้นใน <c oughs> ตัวรูปธรามเนี่ย มันไม่ใช่สมุทัยมันคือธรรมชาติแต่รูปขันเนี่ยสามารถสร้างสมุทัยได้สมุทัยคืออะไรรูปเนี่ยมันรู้จักดีใจเสียใจไหมรูปคือรูปธาตุเนี่ยรู้จักดีใจเสียใจไหมวันนี้รูปดีใจพูดอย่างนี้ไหมวันนี้รูปใจดีวันนี้ใจไม่ค่อยดีนั่นคือรูปขันวันนี้เสียใจรูปขันวันนี้เสียกาย ผูนี้เสียตัวต่างกันไหมเสียตัวนี่เสียใจด้วยใช่ไหมแต่เสียกายนี่อาจจะไม่เสียใจเนะพราะเราจะเห็นว่าเ <c oughs> บื้องต้นเนี่ยให้รู้จักรูปกับนามใครจะไม่รู้จักรูปของตัวเองแต่นามคือความคิษเรามักสะดวง่ายรู้จักกายรู้จักใจรู้จักรูปกับนามทุกคนรู้จักแต่ทําไมเราต้องการให้มันรู้ในแง่ของเป็นมัก ในการรู้จักรูปนามโดยสรรค์เญาณใครก็รู้จักรูปของเราใจของเราจิตใจของเราไม่เห็นใจเระบ้างเลยอะไรแบนั้เดีวจะพูดใช่ไหมแล้วทีนี้ตัวเองเห็นใจตัวเองบ้างไหมก็ไม่เคยเห็นนะเราไปเห็นใจว่าอื่นจริงัหมก็ไม่เห็นนะ <c oughs> แต่ภาษาสตมันพาไปดันั้นการที่เรารู้จักรูปนามเบื้องต้นเพื่ออะไรเพื่อที่จะเป็นที่ตั้งลงของจิตวิญญาณ เมื่อจิตวิญญาณไม่มีที่ตั้งลงอย่างมั่นคงแล้วจิตวิญญาณน้ำย่อมตกเป็นาธาตุของอารมณ์คือกิเลสในการที่จะตอกย้าให้จิตวิญญาณเนี่ยตั้งมั่นคงลงในรูปอันนี้เราจําเป็นจะต้องทำอะไรบางอย่างเหมือนกันปลูกต้นไม้นะปลูกเมล็ดพันธุ์ลงไปแล้วเมล็ดพันธุ์นี้ก็ค่อยๆย่างรากลึกลงไปลึกลงไปลึกลงไปในดิน ถ้าสมมติเราไม่ปลูกต้นไม้เราก็ไม่สามารถที่จะได้ดอกได้ผลได้ถ้าเราไม่ปลูกจิตวิญญาณลงในรูปในน้ำนี้มรรคผลก็จะไม่เกิดเราทั้งหลายรู้จักมรรคผลแต่ไม่รู้มรรคผลเกิดจากอะไรมรรคผลถ้าเราไม่ปลูกต้นไม้ลงบนดินเนี่ยดอกผลก็จะไม่เกิดอดอกเราเรียกว่ามรรคใช่ไอต้นไม้นี้เรียกไปเรียกมาเป็นอะไรมากใช่ไหมต้นไม้นี้ไม่มีมากมากมากไม้ ลูกหมากลากไม้มากคือผลเรียกหมากไปหมากมากลายเป็นมักแรยกมักไปมากๆกลายเป็นหมากมักผลดอกผลเอามาใช้กับรูปธรรมใช่ไหมแต่มาใช้กับนามธรรมด้วยว่ามักผลในแง่ของรูปธรรมการที่จะมีหมักผลได้เราก็จะต้องหวานกล้าเพราะกล้าลงไปในดินเช่นระหวานข้าวมีหมากมีผลคือมีดอกมีผลนะทีนี้จิตวิญญาณของเรามันจะเป็นผลได้ก็จะต้องมีมัก มักคืออะไระมักคือตัวที่เราให้จิตของเรามาเดินทางมักคือแปลว่าทางด้วยมักคือแปลว่าทาง the p a t s the way ไม่ใช่ the f r u i t นะหรือ the flower ไม่ใช่ทีนี้พอมีมักเราก็อาจิตมาเดินในมักมักคือที่ไหนคือกายกับใจรูปกับนามให้เอาจิต ใจของเรามาวิ่งอยู่แค่นี้หวัวจุดเท้าหวัวจุดเท้าวิ่งอยู่ในกายานุปัสนาวิ่งอยู่ในหกเลนถึงได้กล่าวมาวันก่อนมีเลนไหนบ้างเลนที่หนึ่งชื่ออะไรร่างกายนี้มีถนนมีมักอยู่หกเลนเลนที่หนึ่งชื่อว่าถึงจะ บ, บันทึกทุกวันแต่เวลาถามนีต่ตอไม่ได้สักทีนี่ร่างกายที่มีมักอยู่หกเลนมักที่หนึ่งคือจำไม่ได้นะใช้ภาษาต่างไปนิดเดียวนะ กายานุปัสนาแบ่งเป็นกี่อย่างที่ได้กล่าวมาวันก่อนนั่นแหละคือมรรอย่างที่หนึ่งคือต้องเอาใจมาเดินที่เลนที่หนึ่งคือลมหายใจเลนที่สองคือยืนเดินนั่งนอนเลนที่สคืออิริบทย่อยเลนที่สคือภาษีเลนที่5คืออาการ3 2ม เลนที่6คืออสุภะหรือพิจารณาของเน่าของเสียในร่างกายถ้าเราเอาจิตของเรามาวิ่งในเรนที่หกเรียกว่าเรามีมรรคจิตของเราจะวิ่งนะถ้าจิตมาวิ่งในมรรคตลอดเวลาเรื่อยๆอย่างน้อยสัก 70% ซแต่ทุกคนจิตว่าอยู่ในกายแต่ไม่ได้มองใ น, นแง่ของเป็นมรรคมองว่ากายนี้เป็นเราไม่ได้บอกว่ากายนี้เป็นมรรค มันก็จึงไปส์ไม่สามารถที่จะเข้าถึงมรรคผลได้ไงเพราะเรามองว่ากายนี้เป็นเดาไม่ได้มองว่ากายนี้เป็นมรรคอันหนึ่งมรรคที่จิตของเราจะต้องเดินอยู่ใน6ทางนี้แต่วั น, ว, นวันหนึ่งจิตเราไปวิ่งอยู่ที่ไหนวิ่งอยู่ออนแอบนอากาศนะไม่ได้วิ่งอยู่บนมรรคทั้ง6นี้เลยนะดังนั้ น, น, นการมาทํากรรมฐานก็เพื่อดึงจิตมาวิ่งอยู่ในมรรคทั้งหนี้เท่านั้นเองแล้วตอนนี้เราวิ่งอยู่ ที่ไหนบ้างถ้าโดยรวมๆ ม, มักทั้งหกนี้ย่อแล้วเหลือแต่ละทางเนี่ยมันมักจะมีกี่เลนทางถนนเนี่ยมีกี่เลนโดยหลักมีกี่เลนหนึ่งเส้นมีสองเลนใช่ไหะเลนไปกับเลนกลับมาในตัวของเราย่อๆแล้วก็จะมีสองเลนเลนไปคืออะไรเลนกลับคืออะไรเลนไปคือ รูปเลนกลับคือนามและรูปนามนี้เลนไปที่สัมผัสได้รูปมีความรู้สึ ก, กี่อย่างถ้าประเทศที่ได้พัฒนาหน่อยก็จะมีสองเลนใช่ไหมเลนไปก็เลนกลัถ้าประเทศพัฒนาแล้วก็จะมีสมเลนเคือประมีกามีสมเลนนะาทางคมายว่าเขาจะมีเลนกลางเพื่ออะไร เพื่อรถที่มาทางนี้ต้องการที่จะเลี้ยวเข้าตรงไหนต้องวิ่งเข้าเลนกลางก่อนจู่ๆคุณจะเลี้ยวเลยไม่ได้ต้องวิ่งเข้าเลนกลางเขยเลี้ยวรถสวนมาทางนี้เขาจะเลี้ยวเลยไม่ได้ต้องวิ่งเข้าเลนกลางเขยเลี้ยวเพื่ออะไรเพื่อรถสวนไปมาจะได้ไม่โดนรถกระแทกที่หลังต้องหลบเข้าเลนกลางหรือจะแซงก็ต้องแซงเข้าเลนกลางก่อนแซงที่ไปได้ของเรามีแค่สองเลนก็ต้องรอแซงนั้นของเขาไม่ต้องขึ้นเลนกลางแซงได้เลยเพราะนั้น มาตรฐานเราก็มี3ถ้าเลนที่เราเดินคือมี2คือเดินไปเดินกลับแต่มาตรฐานที่สคือสบายไม่สบายและเลนกลางคือเฉยเฉยมี3เลนคือเลเวทนามี3เลนแบ่งเป็นเล็กอีกดังนั้นเวลาเรามาจะดูเลนทั้ง6กเนี่ยผมรู้สึกจะวิ่งไปเลนไหนมาเยอะแยะแต่เราจรวิ่งจริงจคือเลนเดียวชที่1นะคือเลนลูก แต่ถ้าจําเป็นต้องกลับเข้าไปอีกเลนหนึ่งเลนน้ํารูปนี้มันไปวิ่งไปตามกดของอะไรวิ่งเนี่ยไปกฎของอะไรรูปที่มันไหลไปเรื่อยๆไหลไปในกฎของอะไรอ่ากดไใจรักมันวิ่งไหลไปอย่างเดียวนะแต่ถ้าคุณไม่อยากจะไปตามกฎใจรกักคุณต้องวิ่งอีกเลนหนึ่งจะวิ่งกลับการวิ่งกลับนี่เอง เ, องเราเรียกว่าปฏิบัติปฏิบัตินีน่แปลว่าแปลว่ากลับนะใช่ไหม คุณเคยกินมากก็กลับใชกินน้อยลงไม่ใช่ไม่กินเลยนะก็กินแต่กินน้อยลง ค, คือเคยพูดมากกลับเสกลายเป็นพูดน้อยลงนี่เขาเรียวกว่าปฏิบัติละกลับแต่ถ้าคุณยังพูดมากเหมือนเดิมหมายควาวิ่งไปเล่นนะั่นแหละเรีนเก่านะั่นแหละแต่คุณกินมากเหมาเดินคุณนอนมากมาเดินคุณคิดมากเหมือนเดิมคุณก็ไปเล่นเดิมคุณก็ไปถูกความเสื่อมคือทุกขังอนาตตาแต่พอมาปฏิบัติปั๊บเราสอนวิธีวิ่งกลับทําไงต้องเลี้ยวกลับละ ก็กลับมาในทางเล่นทางจิตวิญญาณคือมาดูกายดูใจถ้าวิ่งไปมันวิ่งออกไปข้างนอกวิ่งจิตของเราเนี่ยคิดออกไปข้างนอกเรื่อยๆใช่ไหมคิดออกจากรูปจากนั้นไปเรื่อยๆมันมีที่สิ้นสุดไหมถ้าวิ่งไปข้างหน้าเนี่ยไม่มีที่สุดเรียกว่าวัดสะสงสารยืนยาวนานที่หาที่สุดและเบิงตัวอะไที่สุดไม่พบคือวิ่งออกนั่นเรียกว่าสะสงสัตว์ทั้งหลายก็จะวนเวียนอย่างเงีเ้ยเป็นว่าแต่เกิดไม่รู้จบที่ไหน ในที่สุดเมื่อมีบุรุษผู้ฉลาดที่สุดเกิดขึ้นในแต่ละยุคแต่ละยุคเราเรียกบุคคลนั้นว่าว่าอะไรไม่ใช่มหาบุรุษนะมหาพุทธพระพุทธเจ้าพุทธาศาสดาที่เกิดขึ้นในแต่ละยุคนั้นก็จะมาบอกวิธีเดินทางกลับให้เรากลับมาที่ไหนมันวิ่งออกไปข้างนอกตามรูปใช่ไหม กลับมาที่นามกลับมาที่ใจของเราตอนนี้เรากลับมาได้กี่เปอร์เซ็นต์แล้วถึงยี่สิบเปอร์เซ็นต์แล้วงมันยังวิ่งออกอยู่ใช่ไหมผมวิ่งมาตลอดพบตลอดชาติตลอดกลับตลอดกันแล้ววิ่งกลับไม่เป็นเราก็มาบอกวิ่งกลับด้วยทางหกเลนนะด้วยวิธีการอะไรด้วยวิธีการของมรร์กแปดแต่ทางมีหเลนแต่เดินด้วยมารคมีองค์แปดนะ ทีนี้ในทางหกเลนนี้ย่อแล้วหเหลือสองเลนคือสบายและไม่สบายนะแต่การที่จะเดินเอากายกับใจเอาจีตวิญญาณข้งเรามาเดินรูป ก, กับนามกายกับใจได้ต้องหลีกสิ่งสองสิ่งเพื่จะเดินได้ตรงหลีกอะไรหลีกทางสองทางทางอันตรายเป็นทางที่เราชอบเดิน่ะเป็นทางที่เราชอบเดินอื <c oughs> <c oughs> ได้ละทางพอใจและไม่พอใจอภิชาพอใจโทมนัสไม่พอใจใช่ไหมโดยสวดวินัยยโลเกออภิชาโทมนัสสังก็ขอให้ละทางสองทางนี้เสียงทางพอใจนําไปสู่อะไรกามสุขาริการุโยคทางไม่พอใจนําไปสู่อัตตกิลมฐานุโยคพุทเจ้าบอกให้ละตั้งแต่แรกเลยใช่ไหมให้หลก ะ, ะทางสองทางแล้วมาเทินทางซ้ายไหน ทางสายกลางอ่าทางสายกลางคือกายกับใจไม่เดินทางอดีตไม่เดินทางอนาคตแต่มาเดินทางสายกลางคือเดินทางปัจจุบันน้ามี3เลนใช่ไหมเพราะนั้นก็เอาจิตมาอยู่ทางปัจจุบันจิตที่จะมาอยู่ทางปัจจุบันได้คือทางที่แค่สองเลนคือกายกับใจลูกกับน้ำเดินทางด้วยกายด้วยสติด้วยทางใจด้วยสัมปชัญญะ เวลาเราเดินทางอาตาปีสัมปะชโนสติมาเขาก็บอกวนะ่าไงเราจะละทางสองทางแต่มาเดินทางสองทางละทางไหนทางพอใจและไม่พอใจชอบใจไม่ชอบใจเราเดินทางไหนเดินทางสัมปะชโนและสติมาแล้วต้องขยันเดินด้วยนะคือต้องมีอาตาปีไม่ใช่ขี้เกียจเดินขี้เกียจเดินขี้เกียจยกมือก็นิ่งอยู่กับที่แล้วงั้นเถิดรถไม่ไปไหนละ แต่คนไหนขยันยกมือน่ะก็รถก็ไปได้เรื่อยๆคนไหนนั่งเล่นๆซื้อๆเฉยๆก็รถก็ชะลอไม่ไปล่ะรถอยู่ละเพราะนั้นบางคนก็นั่งสร้างจังหวะเพื่อใน้ขณะฟังก็ถือว่ารถเด้งวิ่งไปได้เรื่อยๆใช่ไหมรถยังไม่หยุดแล้วจอดรถข้างทางชมทิวทัศน์ชมนกชมหนูชมปูชมปลาก่อนคุณก็หยุดตรงนั้นรถคุณก็ไม่วิ่งอ่ใช่ไหมแต่คุณฟังไปกอฟังก็ยกไปใครจะว่าไงก็ยกไป โอเคนั่นก็เลยว่าลดไปได้เรื่อยๆดังนั้นเองการที่เราจะเอาใจลงมาปลูกลงได้จริงๆนั้นเราจะต้องอยู่กับปัจจุบันอย่างน้อยนกลับมาอยู่ปัจจุบันทั้ง น, น้นถ้า50 5 0เนี่ยฟิสีเนี่ยเสี่ยงเพราะอะไรเพราะว่ากำลังลื่นไหลไปทาง อดีตอนาคตมันง่ายเพราะมันเคยแฉาบมาใช่ไหมทางมันชันอย่างเงี้ยทางมันยังแคบอะ่ะทางปัจจุบันแคบมากเพราะฉะนั้นขยับไปนิดเดียคุณขัถ้าจะตกซ้ายหรือขวาใช่ไหมมันสไลด์ลงตรงนี้ทางซ้ายคืออดีตทางขวาคืออนาคตทางซ้ายคือพอใจทางขวาคือไม่พอใจมันจะแฉาบลงง่ายเพราะฉะนั้นจําเป็นต้องขยายคทางนี้ไปไงกว้างขึ้นอย่างน้อยห0าสเซเพื่อรดของคุณจะได้เดินไม่ตกไล่ถนน เพื่อใจของเราจะได้อยู่ปัจจุบันโดยไม่สไลด์ไปอยู่ในความคิดชอบหรือไม่ชอบใช่หมดนั้นมันเป็นเรื่องที่คอมมอนเซนต์มากๆเลยแต่เรานึกไม่ออกพอเลิกจะเรียนเรื่องธรรมะเราไปนึกเรียนอะไรพิสุธทธิมรรคเรียนอะไรเยอะแ ย, ยะไปหมดพระแต่ปิฎกมันคนละเรื่องเลยแต่นั่นคือคือแผนที่คือแผนที่มันไม่ใช่ตัวเดินทางที่แท้จริง ดูเดินทางที่แท้จริงเนี่ยที่เรามานั่งทําอยู่นี่แหละแต่ว่าใครจะทํามากทําน้อยใครปฏิบัติได้มากก็หมายความว่าเดินทางกลับได้มากใครปฏิบัติได้น้อยก็เดินทางกลับได้น้อยก็ยังไหลไปตามกระแสกระแสของอะไรกระแสของความพอใจและไม่พอใจวันๆหนึ่งก็จะอยู่ในสองกระแสนี่แหละที่เราต้องการเข้ามาสู่กระแสแห่งความเป็นกลางระหว่างกลางแห่งความพอใจไม่พอใจเราเรียกอะไร ระหว่างกลางเห็นความพอใจไม่พอใจเราเรียกว่า<ะ>อุเบกขาอุเบกขามัามีสองตัวนะอุเบกขาเวทนากับอุเบกขาสมพชมุชงคุณจะเดินตัวไหนหลวงพ่อจะคุณประยุทธ์ให้ให้นิยามเลย definition definition ตัวนี้ชัดเจนว่า คำว่าอุเปเบกข่าเวทนาได้แก่เฉยเมยซึบือเราเรียกวิญนาณซืึบอือไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรไม่รับรู้เหตุการณ์อะไรทื่ อ, อย่างเดียวงงซึบือนีเรกาก็เฉยเมยแต่ถ้าเป็นบทความสัมพันธ์ชนใช้คําว่าเฉยมองมองเฉยๆมองรู้อยู่นะอะไรเกิดขึ้นฉันชักทันทีเหมือนกับยามใช่ไหมมองอยู่ตลอดเวลา ไม่มีเหตุก็เขาก็ดูอยู่งั้นแหละแต่ว่ามีเหตุปั๊บเขาก็ชาร์จทันทีเหมือนกันว่าใครเข้ามาจะเข้าประทุนนนี่เขาเรียกว่าเฉ ย, ยแต่มองอยู่จิตของเราเหมือนกันจิตเฉยเฉยแต่มองดูว่ารูปจะเข้ามาทางไหนทางตาเสียงเข้ามาทางไหนทางหูรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอารมณ์มากกระทบตาหูจมูกเลี้นงกายใจถ้าเกิดความรู้สึกสองประการแฉลบไปทางซ้ายหรือทางขวาทันชาร์ทันที แต่เป็นไซ้ายความพอใจทางขวาไม่พอใจเพราะฉนั้นเมื่อรูปมากระทบตาให้รู้เป็นกลางคือเฉยๆดูเป็นกลางอย่างมองดูอยู่แต่ไม่ให้เฉล็บนะนะเหมือนก็เดินแต่แตสายนะเพื่อเดินอย่างปลอดภัยเราต้องขยายเลนที่แคบที่สุดนี่เป็นไงกว้างที่สุดเรียกว่าฐานชื่อเตี้ยวว่าสติปัฐานเอาสติมาเป็นฐาน เอาสติมาเป็นมรคที่กว้างขึ้นเรียกว่าสติปัฏฐานและสติปัฏฐานคุณจะขยายเป็น4ี่เลนได้เลนที่หนึ่งกับเลนที่สองข้างนึงเรียกว่าวกายกับเวทนาเลนที่สมและเลนที่4อีกข้างหนึ่งเรียกว่าจิตกับอารมณ์เจียธรรมานุปัสนาเพราะฉะนั้นก็เป็นถนนก็เป็น4ี่เลนก็วิ่งสะดวกใช่ไหมไปสองเลนมาสองเลน <c oughs> ก็รวดเร็วขึ้นนะแต่ถ้าหากสองเลนก็วิ่งช้าหน่อย อไปสี่เลนโอ้ไปทา้งนี้เรีกว่าไปสี่เลนได้สบายวิ่งได้ตลอดนะจะแซงตดงไหนจะนิดก็ไหนมีแรงเลนแซงเลนหลบเรียบร้อยเป็นโนสี่เลนเพราะนั้นเรียกว่าสติปัฏฐานสี่เราต้องเป็นต้องขยายให้เป็นสี่เลนไหวไหมถ้าเนื้อที่ไม่พอขยายไหวไหมทำไงจะให้ที่ที่พอก็ต้องเว้นคืน เว้นขึ้นกลับมานะอะ่กลับมาอยู่เว้นขึ้นกลับมาหาตัวเองให้มากเว้นขึ้นกลับมาอยู่กับกายความรู้สึกของกายเรนที่หนึ่งที่สองมาอยู่กับนามคือใจและความรู้สึกของใจน่ะ น, นั่นเองเราก็ทําอยูน่นี้เรียกว่าปฏิบัติในฐานทั้งสี่ขยายฐานตัวนี้ให้กว้างสติปัฏฐานนะเดี่ยวสติปัฏฐานสี่ ดังนั้นสิ่งที่พระพุทธเจ้าวางรดแมพเอาไว้ทั้งหมดเนี่ยวางมา 2,000 กว่าปีไม่เคย 3,000 กว่าปีไม่เคยเปลี่ยนแปลงเลยนะรดแมปอันนี้แต่ว่าจะมีใครบ้างที่เดินตามได้อย่างถึงเป้าหมายนอกจากพระอรียบุคคลนะพะระรบุคคลหมายถึงว่าคนที่ดึงจิตมาอยู่กับตัวเองได้ถึง70ซขึ้นแต่วางได้70อขึ้นปลอดภัยนะ แต่ว่าขั้นต้นนับว่าเป็นอิยาบุคคลขั้นต้นที่สุดแค่าวางใจอยู่นับปีกวันแค่ 25% 25% เป็นสพระโสดาบันละยห้า 25% 5นจะเจ็บไม่ใช่อยู่เดียวๆนะอยู่ตลอดเวลา 25% ต้องใช้คำว่า p e r manent นะ manent เ manent เท่าไหร25่ 25% หมายก็คนคนนี้ที่จิตเราอยู่ณปัจจุบันรู้สึกรู้ษาอยู่ณปัจจุบันยี่สิบห้าเรซเราสามารถจะละสิ่งที่เรียกว่าเป็นมุลทินได้สามอย่างราคาโทรศัพท์มู่ห่างยาละไม่ได้นะปัจจุบันนะ <c oughs> ยังมีลูกมีเมีย ม, ม, มีแฟนมีการทำงานอยู่แต่ละกิเลสได้สามตัวหนึ่งละความถือเนื้อถือตัว <c oughs> ไม่โอไม่อวดไม่แสดงตัวว่าตัวเองดีกว่าเขาคือไม่มี สักยัติทิฐิไม่สําคัญตัวเองคือไม่เห็นว่าตัวเองเป็นคนสําคัญนะอ่าไม่เกยกโดนข่มท่านไม่คือไม่ความใครจะว่าใครจะด่าใครจะนินทาอะไรเนี่ยพระสุดวัรค์รับได้นะเพราะว่าไม่คือตัวเองเมึงรู้ไหมกูเป็นใครอันนี้เป็นไงสักยัติทิฐิเลยใช่ไหมเธอรู้ไหมฉันเป็นใครนี่สักยัติทิฐิแบบนี้ลดลงได้ตัวเนี้ย อันที่สองไม่สงสัยเรื่องตัวตื่นรู้ว่าคือตัวพุทธะที่แท้จริงแต่ทุกวันนี้เรามั่นใจเลยยังว่าตัวพุทธะที่แท้จริงคือตัวตื่นรู้ในตัวเรายัางไม่มั่นใจเรกคุณเมฆรู้ป่าคุณโม้รู้ป่าอคุณมู่เองรู้ป่าใช่ไหมเรายยังรู้สึกอย่างนั้นแต่ความจริงของแท้มันแต่เรายังเข้าใจไม่ได้เรายังเชื่อไม่ได้เรายังมั่นใจไม่ได้เพราะเรายังไม่ได้เข้าไปให้ลึกกว่านี้ ถ, ถ้าถ้าเราเป็นนักธรณีวิทยาเนี่ยเราจะขุดบ่อน้ําเนี่ยเจาะลงที่ใดที่หนึ่งก็ต้องมีน้ําแต่เขาจะเลือกจุดที่น้ําตื้นที่สุดใช่ไหมแต่ทุกจุดมันมีน้ําแต่จุดที่น้ําตื้นที่สุดเขาก็จะไปเลือกจุดนั้นเหมือนกันพุทธะในใจของแต่ละคนอยู่ลึกตื้นไม่เท่ากันบางคนที่ได้สั่งสมมาบ้างแล้วพุทธะเขจะอยู่ตื้นปฏิบัติอะไรไม่ ไม่นานเท่าไหร่เขาก็รู้ว่าอะไรเป็นอะไรแต่บางคนปฏิบัติไม่รู้กี่ปีก็ยังเหมือนเดิมเพราะไปไงมันอยู่ลึกเกินไปเจาะจนล้าแล้วยังไม่เจอืดหนาวเลยนะแต่เจาะลงไปมันเจอให้ไดน้นี่เรียกว่าเราเชื่อมั่นในพุทธภาวะในใจเราเองพันแต่ถ้าไม่ใช่ปัจจุบันอย่างลังเลอยู่นะใช่หรือไม่ใช่บางทีแล้วก็เอาพระพุทธเจ้ามาข้างหลังเราเปรตออามาเอาผีเอายากักษ์มาว่าข้างหน้าแทนใช่ไหม หร เ, เวลามันโลภขึ้นมาใะขณะที่เราโลภ ถ, ถือว่ามีพุทธะไหมมีแต่อยู่หลบอยู่ข้างในขณะที่โกรธใครสักคนหนึ่งเรามีพุทธภาวะไหมมีแต่มันหลบอยู่ข้างในขณะนี้พระอาทิตย์ขึ้นหรืา อ, ายอยังขึ้นแล้วได้เห็นแสงพระอาทิตย์ไหมยังไม่เห็นเพราะอะไรเพราะมันเมฆมันบงังหลายชั้นใช่ไหมบางทีแปดเก้าโมงยังไม่เห็นเลยใช่ไหมมันใกล้ใกลเที่ยงเห็นบางวันบางวันก็โผล่มาแต่เช้าเลยบางคนเนี่ย เกิดมาไม่กี่ขวบแล้วมันรู้เรื่องลู่ลาวรู้สึกรู้สาแล้วหมายความว่ามันมเห็นแสงพระอาทิตย์ตั้งแต่เช้าเลยแต่บางคนกใกล้จะตายแล้วบางทีมืดทั้งวันไปแสงตะ ว, วันไปผู่เอาตอนที่มันจะตกนั่นพราฝนมันมเมฆหมอกมันตกทั้งวันเพราะอะไรเพราะว่ามันเมฆหมองในด้านจิตใจเยอะเหลือเกินถามว่าเขามีพุทธภาวะไหมมีแต่ว่าสิ่งที่บดบางมันหลายชั้นหลายเลเวลเหลือเกนนอินนั่นเองเราอย่าท้อ เราอย่าท้อทำอย่างไรให้เราเห็นแสงตะวันยิ่งเห็นแสงตะวันได้ไวเนี่ยเราก็จะเห็นทางได้เ ร, เร็วเห็นทางได้เร็วก็เดินทางปลอดภัยได้รวดเร็วแต่ถ้า ข, ข, ขมุขมัวเทมืดเราเห็นทางไม่ชัดเรามีโอกาสหลงและอันตรายและถึงช้าเราจะวนว่ายไดเวียนว่ายได้เกิดในในใ น, ในกิเลสตัณหาอุปทานอยู่นอกจากจะเดินชา้าเราอันตรายคุณจะต้องไปบางชาติก็ไปเกิดเป็นฆาตกรบางชาติก็ไปเกิดเป็น เปรตเป็นผีเป็นมารมังคว้าเกิดเป็นสัตว์เป็นวัวเป็นควายเป็นช้างไปหัถูเขาขับไล่ใช้ทรงถูเขาดึงจูงสู่หลักประหารฆ่าทุกชาติเนี่มันจะไหวอใช่ไหมมันไม่สนุกเลยนะเกิดเป็นวัวเป็นควายให้เขาจูงไปฆ่าเงี้ยคุณไม่มีอำนาจต่อรองอะไรเลยในที่เราอันตรายนะแต่พอได้เกิดเป็นมนุษย์ก็ใช่ว่าจะปลอดภัยใช่ไหมมนุษย์บางคนก็ไปติดคุกอยู่เลยมนุษย์บางคนก็ไปฆ่าคนตาย อะไรตายมากมายแต่มนุษย์ที่ของเราที่จะหลุดมาอย่างนี้ได้ก็มีไม่กี่คน่ะใช่ไหมตอนแรกเขาแจ้งมาไว้สักหกสิคนใช่ไหมเจนเอกเอาไปเอามาพวกนั้นไม่มีบุญพอที่จะมาได้เพราะนั่นมาเข้าข้ออย่างนี้ไม่ใช่มาได้ง่ายนะธรรมะมันจัดสรรมาแล้วอย่างพวกคุณเนี่ยมันมีบุญพอที่จะมานั่งฟังตรง น, นี้ใช่ไหมเจนเอกยืนยันได้คนนี้ประมาณห้าสืบไปหกิคนนั่นหลวงพ่อหลวงพ่อไม่แน่หรอกคุณมาได้ไม่เกินสาสิบคน ก็จริงๆนะเพราะไม่ใช่บุญไม่ใช่ศสันให้ได้มาทุกคนคุณกำหนดได้แต่ว่าถึงเวลาจริงๆคุณมาไม่ได้บางคนอยากจะมาไม่ได้มาแต่บางคนก็อยากมาแต่ได้มาก็มีเพราะบุญเขาถึงไงเพราะฉะนั้นนี่คือโอกาสนะเพราะฉะนั้นอันที่สองเราต้องมั่นใจเรื่องพุทธภาวะในใจเราให้เร็วที่สุดท่านชายกับพระโซดาบันไม่ไ ม, ไม่ไม่คลอนแขนในการที่เชื่ออย่างนี้เลยตั้งแต่พระโซดาบันขึ้นไปไม่สงสัยแล้วไม่มีวิจิการา อันที่สามที่พระโสดาบันมีคือไม่ติดยึดในสิ่งที่ดีที่ชั่วเราจะดีขนาดไหนใครมาว่าเราไม่ดีเราก็เฉยเฉยแต่ถ้าหาว่าไม่ใช่พระสดาบันไม่ได้นะโอ้โหมันดูถูกกันนะเราทำอะไรมาดีขนาดไหนฉันสอนมาตลอดชีวิตแกว่าฉันไม่ดียังไงนะเขาจะไม่ยึดติดพวกนี้เขาเรียกว่าไม่ยึดติดในอ่า ศีลพระตาปรมาตคือไม่ยึดติดในศีลในพจน์ในคุณงามความดีของเรื่องตัวเองจะทำมาคุณงามความดีมาแค่ไหนขนาไหนก็ตามใครมาไม่รู้จักไม่ยกย่องไม่เชื่อชูไม่รู้จักก็ไม่สนเพราะเรื่องความดีความช่วเป็นเรื่องของใครของมันใครจะรู้ไม่รู้กับเรื่องของเราใช่ไหมบางคนโอ้โหเป็นคนมีหน้ามีตาถ้าหากว่าไปทําบุญหน่อยถ้าเขาไม่ออกชื่อนี่เป็นไงกูเอาเงินคืนดีกว่าแบบนี้ขอเงินคืนเลยนะเพราะ บริชาคหึงเยอะไม่เอ่ยชื่อเราเลยนี่คือเลยยึดติดในสิ่งที่เป็นคนงามคนเดียวเลยนะหรือใครมาตำหนินินทาหน่อยรับไม่ได้เกิดหุดกิดโมโหเลยนี่ยึดติดในตัวเองพระสุนทรภัณจะไม่มีทางทัศนที่ราค่าโทาารศัมหันยังมีนะแต่ว่ากิเลสสามตัวเนี่ยพระสุนทรภัณลดได้ละหนึ่งอะไรนะลดความเห็นแก่ตัวสําคัญมันหมายในตัวเองผิดพรลละสุนทรภัณฑ์แล้วได้สอง ไ, ไม่สนใจในไม่สนใจในพุทธภาวะในใจตัวเองว่ามีแน่นอนฉันจะขุดไปให้ถึงอันที่สามไม่ยึดติดในคุณงามความดีของตัวเองว่าใครจะไปพูดไปด่าไปว่าไปนินทายไง ก, ก็เฉยได้แต่คนทั่วไปที่ไม่ผสูดตะวันไปไงมึงนะถึงครูทีตาเองอะไรนะั่นที้ีเขาว่าไงนักงเลงว่าไง ท่าตากูไม่ว่าถือตาข่าอย่ามาโวยใช่ไหมช่ อ, องที่จะเล่นงานเอาคืนกันนะเพราะว่าอะไรก็ดูถูกจะไม่มีการพระสวดวันจะไ ม, ม่ีคำว่าดูถูกดูผิดนะก็ดูตรงๆดูซื่อซือดูกลางกลางดังนั้นเองเนี่แค่ดูตัวเองก็ได้แค่ยีนะ่ปอร์ซนต์ะเราจะละได้แค่นะี้ยี่สหปอร์ซนยี่้ป์นีหมายถึงว่าเราจะอะไรก็ตามสูนว่าเราพอใจ ปูดขึ้นไปเนะี่ยมันก็ไม่ถึงร0 0หละแค่8ปดิลาใครตำหนิด่าว่าจิตมันตกมันช่ปูดไปที่ 0% ูนะมันลงมาที่ 25% ่สอยี่าใจยังดีอยู่แต่มันเสียไปแค่ 75% แต่พระสุรบัลก็ยังมีความเศร้าหมองจิตอยู่แต่ว่าทำใจได้ 25% อไม่ถึงกับโกรธเกียดเคดขุนขับแค้นไม่ใช่นั้นนะก็ขุนใจนิดหน่อยเขาว่ามาแต่ทาสักพักก็ทาใจได้ละ น <N h ine> ี่ปัจจุบันนะทังนั้นคือการมาตอกย้ำมาดูตัวเองบ่อยๆนี่แหละดูตัวเองบอ่อยๆดูกายดูใจตัวเองบ่อยๆนี่แหละเพราะว่าเรามักจะออกจากตัวเองไปไม่สนใจตัวเองเย็นร้อนอ่อนแ ข, ขง็งเข่งกึงไม่สนใจตัวเองเคลื่อนไหวอย่างไรไม่สนใจตัวเองหนักเบาตัวเองไม่สนใจว่าสบายไม่สบายทั้งที่ร่างกายนี่มันบอกเราตลอดเวลามันสบายนะมันไม่สบายนะ มันจุดนะมันเคลื่อนมามันเข้านะมันออกนะมันหนักนะมันหน่วงมันเจ็บเราบางทีเราไม่ค่อยใส่ใจในรายละเอียดเหล่านี้แต่ใครก็ตามที่มาตอกย้ำซ้ําเติมแล้วใส่ใจในรายละเอียดเหล่านี้ตลอดเวลาสัก25เปนี่ยกิเลสมันลดไปแล้วเจ็ดบ้อยีซแล้วขั้นที่สองขั้นที่สองขั้นเหนือจากพระโสดาบันขึ้นไป พอจเจริญสติเคลื่อนไหวเดินโจงคมสร้างจังวะไปนั่นเข้านาั่นเข้ามันละความพอใจไม่พอใจเสียได้ความพอใจไม่พอใจเมื่อก่อนเข้มข้นร้อยเปอร์เซ็เดี๋ยวนี้มันลดลงไปก็แการมราคะและปฏิฆะการมราคะปฏิฆะเป็นกิเลสระดับชั้นพระส ก, กิทาคามีลาด้วยสองตัวและในขณะเดียวกันทําราคะโทสมัมโมหะให้เบาลง าการมราคะคือความใครใีในการเคลือ่อนกระฮือหรือจิตใจสั้สายวุ่นวายเดือดร้อนเพราะการบีบคันน้นไม่มีถ้าศีกขละมีแต่ก็มีอ่อนๆบางๆขุนขุนมัวเกี่ยวกับเรื่องนั้นอยู่แต่ไม่ถึงกับรุนแรงลดการมราคะลดปฏิฆะความหมงุดหงิดขุนมัวเศร้าหมองตีอกชกตัวเมื่อถูกกระทบจะไม่มีคือมันไม่รุนแรงแล้ะก็รู้สึกอ ไม่พอใจก็เฉยๆสักพักก็ทําใจได้คือไม่ได้โกรธข้าววันข้าวคืนเหมือนเมื่อก่อนเมื่อก่อนโกรธขนาดว่าไม่เผาผีเลยใช่คนทั่วไปที่ไม่ใช่แต่พระนักเคยมีไม่ใช่สกิทาคามีมันจับมาจากคําว่าสกิง๊งคมะำว่าเดียวเดียวโกรธก็เดียวเดียวพอใจก็เดียวเดียวสกิ๊งแปลว่าเดียวเดียวสกิ๊งแปลว่าเดียวเดียวโกรธก็เดียวเดียวเกลียดก็เดียว เ, ยเดียวก็หายใครว่ามาอะไรก็บางครัง้งเราก็เป็นอยู่ใช่ไหม เพราะว่ามาเดี๋ยวเดียวก็หายกลัวละเดี๋ยวเดียวก็หายหายคิดละนี่และส ก, กินเขาเดียวนะพราะเขาลดการมราค่าปฏิฆาได้ในขณะเดียวกันก็ทํารคปูหลงให้เบาลงพระโสดาบันนี่ยังมีลูกมีผัวมีอ่ากิดมีการอะไรปกติแต่ว่าเขาลดอย่างที่วายสามตัวเบื้องต้นได้เท่านั้นเองโดยการดึงกายกับใจนะี่มาอยู่ด้วยกันพระส ก, กิลธรรมดึงกายกับใจมาอยู่ด้วยกันถึง50เอร์ซต์ต ตลอดเวลานะไม่ใช่บางครั้งนะตลอดเวลาถึง 50% แต่อีก 50% อยังใจก็ยังไปนูน่นไปนี่อยู่แต่ก็มีหลักละครึ่งนึง้นแล้วก็ปฏิบัติต่อไปนี่เขาเรียกว่าการเดินในมรรคไปเป็นขั้นเป็นขั้นเป็นขั้นเรีว่าเวลาเราสวดอะไรนะคู่แห่งบุรุษสีค่คู่ใช่ไหมนับเรียงตัวบุรุษได้แปบุรุษคือสี่คู่ก็คือเนี่ย คู่ที่หนึ่งคือโส ด, ด, ดาปฏิมากัโสดาปฏิผลโสดาปฏิมากหมายถึงว่ากําลังปฏิบัติอยู่สกยะความสกิร์มันหมายผิดฉันกําลังทําอยู่แต่ยังไม่ได้มากนักฉันจะทําต่อไปตัวรู้สึกตัวฉันก็รู้จักอยู่แต่ว่าจะท่นให้รู้สึกตัวได้ยังไม่ถึงยีเท่านั้นเอง ไอ้ตัวไม่สําคัญมั่นหมายติดยึดในคุณงามความดีของตัวเองฉันก็กําลังทําอยู่แต่ว่าฉันยังละไม่ได้ถึงยีเท่านั้นเองวันใดวันหนึ่งมันเกินยีขึ้นไปโสดาปฏิมากก็เปลี่ยนเป็นโสดาปฏิผลนะนี่คู่แห่งคู่ที่หนึ่งอย่างพวกเราปฏิบัติดูเนี่ยถือเป็นว่าปฏิบัติในโสดาปฏิมากรได้ละมาอยู่ที่นี่โกรธเกลียดเคสคุณถึงขนาดตี อ, อกชกตัวมีไหมไม่มีมมนี่กําลังเดินในมัด จะออกไปจานี่ไม่แน่ใช่ไหมเพราะ 20% ไม่คงที่นะออกไปนี่มีใครดา่าเส็นด่าสักทีเนะี่ยออกขึ้นนะเพราะอะไร 25% หายไปเลยนะแอ้มาอยู่ที่นี่มันได้ 25% อย่า ง, งนะมันยังไม่คงที่ไ ง, งไม่คงที่เพราะฉะนั้นจะทําให้คงที่ทําไงก็มัอนเราตอกหลักถ้าตอกหลักมันยังไม่ลึกพอมีอะไรมาชนมันก็ล้มใช่ไหมแต่ถ้ามันลึกพอเนี่ยชนแรงๆบางทีถ้า ไม่ตั้งใจชนจริงๆมันก็ไม่เกิดนะเมื่อทีคนมาพูดกับเราเนี่ยก็เป็นคําที่ไม่ค่อยรุนแรงเท่าไหร่ล้วก็อบคลุมได้ระดับหนึ่งใช่ไหมถ้ารุนแรงยีงก็เหมือนเรื่องคนเนี่ยมันจับหลักเขย่าเลยนะจับไหล่ถามไปเลยเจาะยังไงอย่างเงี้นะเมันเกิดคลืนขึ้นมาว่างแล้วสันนิษหลักเป็นไงสะเทือนแล้วใช่ไหมเพราะอะไรเราตอกไม่ลึกพอเพราะฉะนั้นต้องขยันตอกหลักเท่านั้นเองคือขยันทําความเพียร น, นะ เพราะถ้าหากว่ามาถึงขั้นที่สองแล้วลดความพอยใจไม่พอใจลงได้มากเลยว่าเขาไม่พอใจพอใจไม่พอใจระดับภัสกิธาธามีที่ใช้คําว่าการมาราคะาและปฏิฆาปฏิฆาเป็นความไม่พอยใจนะทีนี้พอมาถึงห0ซแล้วเรารู้สึกอือขนาดห้เราทําได้ขนาดนี้นะเราก็อยากจะได้ต่อไปใช่ไหมเหมืนอนเราได้ขนาดปริยาตรีมาได้ดตึกงหมื่นฝานะถ้าวิญญาโทมันได้สองหมื่นกว่าชะทำวิญญาโทต่อดีกว่าคล้ายอย่างนั้นนะ ก็ไปทำยาถูโอ้ยโผล่ไม่ได้สามหมื่นเลยนะใช่ไหมก็ขยันทําเหมือนกันเออเนี่ยขนาดว่ามีอะไรมากระทบแรงๆอย่างกูดนิดเดียวนี่มนันกูดเมื่อคืนเป็นวันนี่กูดนิดเดียวหายใจก็กลับมาปกติแล้วใจใจใจหายไปพักหนึ่งกลับมาปกติเหมือนเดิมคนนี้เป็นภัสดิกิราคามีละนะกลมาราคาก็ไม่ดุนแรงปฏิฆะมีอะไรมากระทบทั่งก็ไม่ดุนแรงเหมือนเดิมนะแต่ว่าได้50ซ ยังไม่อัพนะห้าเปอรซนดาวอยู่เป็นมากเลยนะพอมีอะไรกระทบกระแทกมันเหลือ25้าเปเซนใหม่นะพอปกติพอีพรลัมมัขึ้นไปห้าเอร์ใหม่มันอัพแอนด์ดาวอยู่ระหว่างห้าสิบยี่ห้าห้าสิบยี่ห้ามากกับผลนะต่อไปมันอะไรกระทบปับ๊บมันตกไปแค่ห้าิบไม่ต่ําไปกว่า น, นั้นเป็นสกิทาค่ามีผลล้วนะอันนี้ก็อเรวัดกันเป็นสเต็ปสเต็ปขึ้นไปอย่างนี้ ต่อมาอีกชั้นที่สามไปไงสามารถลาลาคาไปอันที่สามเกิงไงะไรล่ะตัวรู ป, ปราคาอารู ป, ปราคาได้แล้วก็สลัดราคาและโทสะได้ที่เชิงอรู ป, ปราคาอารู ป, ปราคาหมายถึงว่าไงหมายถึงว่าถ้าหากเราปฏิบัติไปเนี่ยให้ความยินดีพอใจในสิ่งที่เป็นรูปทั้งหลาย ยังเห็นบางสิ่งบางอย่างสวยงามยินดีอยู่นะแล้วก็อารู ป, ปราคะยังพอใจในความสงบอยู่พอใจในความสงัดอยู่บางครั้งก็รู้สึกจิตมันไม่นิ่งหลบเข้าสมาธิสักหน่อยหนึ่งบางครั้งจิตมันไม่เย็นพอเข้าสมาธินานหน่อยหนึ่งก็ยินดีพอใจที่จะลเล่นฌานในความสงบติดความสงบอยู่อารู ป, ปราคะ ก็มีการเลือกใช้ของบางอย่างอยู่ของบาอย่างไม่ดีไม่อยากใช้งของบางอย่างไม่อยากดีก็ยังเลือกอยู่แต่ว่าละราคาโทสะโมหะได้ค่อนข้างชัดเจละแต่ยังไม่เด็ดขาดเพราะยังมีความพอใจและไม่พอใจในรูปอยู่แต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวก็หายไปนะีพอใจในการสร้างคุณงามความดีอยู่พระอนาคามีนะแต่ว่าไม่ได้ ไปติดยึดนะแต่ยังามสร้างสิ่งที่ดีแต่ว่าไม่ยึดสิ่งที่ดีแล้วนะแต่ยังใฝ่ในสร้างสิ่งที่ดีและในส่วนที่ความปรารถนาที่อยากจะได้ความสงบแลยความสุขที่ลึกไปกว่านั้นก็ยังต้องการอยู่นะยังต้องการอยู่จนกระทั่งสามารถละโทสะได้นั้นในชั้นอนาคามิมรักนิจัก เจ็ 70, 80, ลงมากระทบที่50าสิบเมื่ไรกระทบก็ลงมาที่5 0าความรู้สึกตัวยังมีอยู่50ซแต่บางครั้งมีอะไรกระทบแรงมันก็เวิตกลงมาพอปอกติไม่มีอะไรกระทบแรงก็อยู่ที่ 70% ความรู้สึกตัวนะเจหรือแปดสร์พอมีอะไรกระทบปับ๊บจิตของเรามันคืจะลดมาที่5 0าในลักษณะเรียกว่าอนาคาหมีมัดแต่พอเป็นิ่งอยู่ตรงที่ว่ามีอะไรกระทบมันก็ค้างอยู่ตรงนั้นแหละ เจ็ดจะโกรธก็ความรู้สึกตัวที่ไม่โกรธอยู่ 70% มันโกรธคูณไปได้ตึงแค่ 20% นะนี่เรียกว่าอนาคามีมากแต่ความรู้สึกตัวถึง 80% ดต์ลอดเวลามีอะไรกระทบก็มันก็ไม่ไม่ไมไมต่ํากว่านั้นยังรู้สึกตัวชัดเจนการประครับประคองตัวสติสัมญะมั่นคงบุคคลคนนี้ไอ้การที่จิตจะไปคุกคีมั่วกัแบบอดีตอ น, นาคตวุ่นวายเนี่ย ไม่มีล้แต่ถ้าจะมีปั๊บก็เอามาใช้เอาความพอใจมาใช้ความไม่พอใจมาใช้บางครั้งเหมือนโกรธแต่ไม่ใช่แต่เอามาใชา้รู้จักเอากิเลสมาใช้ล้ทีนี้รู้จักใช้กิเลสเป็นแต่เมื่อก่อนใช้ไม่เป็นมีแต่กิเลสทําร้ายกิเลสเข้า ม, ามาครับนะใช้น้ําเป็นใช้ไฟเป็นใช้ความดีเป็นใช้ความชั่วเป็นนเพราะนั้นเองลักษณะ บางครั้งพระอุบาอาจารย์ท่านพูดอะไรเหมือนโกรธใช่ไหมท่านแสดงความิีดีอะไรบางคนเหมือนที่ว่าท่านดีใจดีเหลือเกินชื่นชมคนนี้นะท่านใช้ให้เป็นอุบายเพื่อที่จะถ้าสมมติรู้สิรอหาเปคนเรือคนรั้นคนแม่ไหนบางทีท่านก็แสดงครึ่งขังด่าทอได้ใช้ถ้าไม่ใช้ไปไงรู้สิคนนั้นก็จะเสียคนแล้วก็หลงทางหลงตัวเองท่านก็ใช้ ไฟในการที่จะเคียนจะตีเหมือนพ่อแม่ตีลูกอะ่ะไม่ได้ตีด้วยความโกรธเกล็ยดเคียดคุณใช่ไหมตีด้วยความเพื่อให้รู้สึกตัวเพื่อให้รู้สึกให้ลูกได้รู้สึกแต่จําเป็นพ่อแม่ต้องแสดงตีไปยิ้มไปไปไงลูกมันก็ไม่กลัวใช่ไหมดีไฟก็แสดงสีหน้าท่าทางขึงขังเหมือนโกรธจริงๆแต่ความจริงไม่ได้โกรธแต่นั่นคือใช้ความโกรธให้เป็นประโยชน์ใช้อํานาจใช้หน้าที่ให้เป็นประโยชน์เรียกว่ายังปฏิบัติตามสมมุติหน้าที่อยู่ ใช้เป็นแต่คนทั่วไปถ้าแสดงอาการโกรธคือโกรธจริงๆไ ง, งใช่ไหมมุ่งหัวกมโหัวจริงแต่ระดับพระอน า, าคามีทําเหมือนโกรธทําเหมือนมโหแต่ไม่ใช่แต่ใช้ตามอํนนานาจหน้าที่เพื่อให้คนนั้นสํานึกว่าอะไรเป็นอะไรเท่านั้นเองนะนี่เรียกว่าคุณสมบัติของท่านละรู ป, ปราคาอรู ป, ปราคะคือไฟอยากจะให้คนดีอยู่นะแล้วก็ยังไฟในะให้การเป็นอยู่อะไรที่ดีต้องการพัฒนาอยู่เลวมัก ทีไ่ไปผลอันสุดท้ายคู่สุดท้ายนี่นสำคัญแต่พระั้นคณะมีมีกิเลสเหลียวอยู่สามตัวนะมานะอุทัศ จ, จักไดวิขีกิจฉาหมายเขาว่าท่านยังมีความสําคัญแต่ว่าไม่มากนิดเดียวนะมานะคือมีความสําคัญตัวอยู่บ้างแต่นนิดหน่อยบางๆท่านละยังไม่ได้ ยังคิดปรุงแต่งในการที่จะสร้างสารรค์คุณค่ามดีคิดปรุงแต่งในการที่จะช่วยเหลือผู้อื่วด้วยทำยังไงยังมีอุท ธ, ธัจจะอยู่ยังปรุงแต่งเรื่องนี้อยู่แต่ไมเไดปรุงแต่งในทางที่ไม่ดีละระดับพระอนาคามีปรุงแต่งในทางที่ช่วยเหลือสังคมช่วยเหลือโลกว่าเขาจะดีได้อย่างไงเขาจะสุขได้อย่างไรก็วางแผนทํางานวางแผนในเรื่องนี้นะอุเรียกว่าอุทัจจะแล้วก็อวิชชายังมีความ หลงลืมอยู่บ้างเนื้อเมื่อถูกเวทนาแรงแต่ไม่ไม่ไม่นานปุ๊บเข้ามาก <S ess iz io> ็ตั้งสติได้นะเรียกว่าอาวิชชาถ้าหากว่ายังทำไม่ได้พยายามปฏิบัติอยู่ในระดับเนี้เพื่อละความสำคัญตัวเองเยกตัวอย่างจิตตคหะบดีสมัยขัางพุทธกาลนะเป็นพระอนาคามีแล้วคือเนื่องจากพระอนาคามีท่านชอบให้ทาน ให้ไปให้มาแบบให้ทานเยอะมากแล้วมีอยู่ยุคหนึ่งเศรษฐิจมันตกพอเศรษฐกิจตกทัดก็เคยเป็นเศรษฐีกลับมาเป็นคนจนอ่าเพราะเขากู้หนี้ยืมสินไปแล้วไม่คืนท่านนะนะทีนี้พระตอนที่ท่านมันมีอ่าเขาเรียกยังเป็นเศรษฐีพระไปบิณฑบาตบ้านท่านเนี่ยจะได้ของดีๆของประนีตอาหารประนีตอาหารดีทีนี้พอฐานนาทัดตกอับแล้วปรากฏว่าวันหนึ่งท่านทํำข้าว เข้าผสมงานเขาเรียกข้าวอะไรตเข้าใส่งานเข้าวอะไรแต่ภาษาเขาเรียกข้าแดดงาเนี่ย ค, คือตํางานใส่เข้าใสบาทพระทีนี้มีพระบุโรชหนึ่งไปบิณฑบัตเคยได้ของดีๆใช่ไหมวันนี้ได้ของเอาเข้าแดดงาในให้ใส่บาทเคยนึกดูถูกเศรษฐีว่าเมื่อก่อนเนี่ยเอาเนื้วนี้ เป็นเศรทีทั้งทีเอาเข้าแดกเงาใส่บาตรนึกอยู่ในใจพราณะคมีรู้ใจคนพระดูถูกแสดงอาการนึกในใจในที่สุท่านบอกโอพระนีิสัยใช้ไม่ได้แต่ให้กินแล้วก็ยังนึกดูถูกคนคนให้อยู่นะนิสัยไม่ดีท่านก็เลยแอบไปพะอุทิเจ้าว่าพระองค์เนี้ยข้าพเจ้าใส่บาตรแล้วนึกอย่างนี้ พระเจ้าเรียกพระองค์มาเตือน เ, อเตือนว่าเถอนึกอย่างนี้จริงไหมจริงขอรับงั้นขอโทษเขาเจือาคาครับอันนี้เรียกว่ามานะคือสําคัญไอ้สิ่งคุณไหนที่มาทําในสิ่งไม่ดีเ ข, เขาป้องกันนะป้องกันมานะลักษณะอย่างนี้มนะไม่ใช่ไปสําสคัญปิดตัวเองนะคือมานะในการที่อย่างสําคัญว่าคนเนี่ยควรจะรักษาคุณงามความดีถ้าหากว่าตัวเองอยู่ในระดับนี้ยังรักษาคุณงามความดีระดับนี้ยังไม่ได้มันไม่เหมาะ คือท่านมีหน้าที่ปกป้องในสิ่งคุณงามบุญทีเหมือนกับว่ามีมาน่าในสิ่งที่ดีอยู่นั้นเองในการปฏิบัติเนี้ยมันมีขั้นมีต่อเนื่ไม่ใช่ไม่ใช่ทำมั่วๆไปวันๆไม่ใช่นะเราต้องมีการตรวจสอบตัวเองตลอดเวลาวันนี้รู้สึกตัวกี่เปอร์เซ็นต์ประชชนค น, คนทั่วไปเนี่ยมาถึงส0บเปอไหมความรู้สึกตัวแต่ละวันคิดแต่ออกตลอดเวลาใช่ไหมแ้าสิบเซต แต่พอเราได้มาปฏิบัติอย่างนี้เรายังรู้สึกตัวได้บางครั้งอ๋ออาจารย์สอนให้รู้สึกตัวอย่างนี้มีอะไรเกิดขึ้นปับ๊บเรายังกลับมารู้สึกตัวเป็นอยู่เพราะมันเริ่มมีมีเส้นทางละเริ่มมีเขาเรามันงันเถอะคนคนนี้ก็จะพัฒนาได้การที่เราได้พัฒนาไปได้เรื่อยๆได้ดวงตาเห็นธรรมคือเห็นเส้นทางแล้วว่าพุทธวัพุทธภาวะเป็นอย่างไรก็คือสติสัมยะที่เข้มแข็งนั่นเองคือพุทธภาวะใช่ไหมการที่พัฒนาสติสัมยะเข้มแข็งขึง้นเรื่อยๆ เราก็มีพุทธะเข้มแข็งขึ้นเรื่อยๆแล้วสติสัมยาจ์ก็เหมือนแสงสว่างประจำตัวเราเราจะไปไหนมันไม่เหมือนคนทั่วไปแหะคนทั่วไปนี่ไปแบบดําแบบมืดไม่มีแสงสว่างเลยแต่เราซึ่งได้ยินได้ฟังเรื่องนี้มาแล้วเราเห็นว่าไอ้ตัวสติสัมยาจ์เนี่ยมันคือตัวทําให้เกิดปัญญาปัญญามาไวขึ้นเพราะฉะนั้นก็ทําผิดพลาดน้อยลงใช่ไหมคนทั่วไปนี่สติปัญญาไม่มีสติมิญะบางทีตัวจะคิดได้ของเสียไปเสียหายไปแล้ว แต่คนที่ฝึกสติสัญญาบรรุคิดได้ไวมันก็แก้ไขได้เร็วใช่ไหมความเสียหายแค่น้อยลักษณะยอย่างนี้ดังนั้นการฝึกความรู้สึกดู้รื่อนตัวคือมาเพิ่มแสงสว่างทางใจให้กับตัวเองนั่นเองแต่ว่าเรายังไม่เชื่อมัน่นยังไงยังไม่เชื่อมัน่นเรามีวิจิกริชัาอยู่ไม่เชื่อมั่นว่าไอ้พุทธภาวะคือแสงสว่างที่เป็นสติสัญญาเนี่ยมันเป็นพุทธองค์จริงเรายังไม่เชื่อมัน่นเราก็ทําบ้างไม่ทําบ้าง แต่บางคนขยันทยิ่งทําไปก็ยิ่งเห็นน่ะอ๋อมันใช่แล้วก็ทํามากขึ้นมากคือในที่สุดทําตลอดเวลาแต่ไม่ใช่ยกมือตลอดเวลานะแต่รู้สึกตลอดเวลารู้สึกหวงแหนเวลายกมือไปเยื่ออะไรโดยไม่รู้สึกตัวกลับมาตั้งต้นใหม่แล้วก็จับใหม่ให้รู้สึกตัวขนาดนั้นเลยนะมันเหมือนกับมันยิ่งกว่าซัอ์อะทรัพย์สูญเสียไปเอาคืนได้ใช่ไหมแต่ความรู้สึกตัวสูญเสียไปเอาคืนยากเวลาเราเผลอไปพูดไม่ดีกับใครสักคนเนี่ยเอาคืนยากนะใช่ไหมเสียแล้วเสียเลยอะ เพราะนั้นเราก็จะมีการใคร่ครวญมีสติสมัมยาใครค่ครวญก่อนพูดก่อนทําก่อนคิดมากขึ้นความเสียหายต่างๆก็น้อยลงใช่ไหมความเศร้าหมองความวิตกกังวลต่างๆก็น้อยลงเพราะมีการใคร่ครวญก่อนนะอันนี้ลักษณะของพุทธภาวะในใจเราที่ทํางานมีนะบางครั้งมีใช่ไหมมีแต่ว่ากี่เปอร์เซ็นต์ ยังไม่แน่ว่ากี่เปร์เนะดังนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องของความดีงามความเข้มแข็งความสว่างสวัยของชีวิตในเรื่องของมรรคแต่พระุทธเจ้าตรัสว่าใครก็ตามที่จะเกิดมรรคผลขึ้นในจิตใจมันมีสัญญาณอยู่สองอย่างนะมีสัญญาณอยาอย่างที่เขาต้องพบถ้าไม่พบสองอย่างนี้ยังไม่แน่ว่าเขาจะไปทางที่ถูกหรือเปล่าท่านบอกว่าเป็นปุปพพนิมิต ท่านกล่าวว่าอย่างนี้ว่าแสงเงินแสงทองเป็นปุพพนิมิตรแห่งวันใหม่เราจะรู้ว่าในในโลกเนี่ยบางทีเราไปไปที่บางแห่งไปต่างประเทศไปถึงกลางคืนเรายังไม่รู้เลยว่าทิศไหนเป็นทิศ ต, ตะวันออกตะวันตกเหนือใต้ใช่ไหมยังไม่รู้ที่เพิ่งตื่นขึ้นม า, า, าจะรู้ว่าทางไหนเป็นทิศ ต, ตะวันออกเราจะรู้ได้ไงพอกาหนดทิศ ต, ตะวันออกเป็น แต่นตกเหนือได้ได้ไหมได้ชั้นใดก็ดีแสงเงินแสงทองเป็นปุพพนิมิตแห่งวันใหม่คือลุกอรดุนขึ้นทางที่แต่วันออกเสมอผู้ที่จะได้รับแสงเงินแสงทองแห่งมรรคผลนั้นจะต้องมีสัญญาณวิปุพพนิมิตคือสองประการหนึ่งปรตโตโคสะเราเรียกว่ากัลยาณมิตรได้พบครูบาอาจารย์ ที่รู้จริงเห็นจริงมาบอกให้เรียกว่ากัลณมิตรเรียกว่าปรตโโุโขสสะสองโยนิโสมณสิการเราเป็นคนละเอียดถี่ทุวนพอที่จะเข้าใจในคําสอนของท่านแล้วก็ทําตามได้ด้วยสองอย่างนี้เป็นปุปพานิมิตของมรรคและผลหมายคาือคุณจะไปสู่มรรคผลคุณต้องพบสัญญาณ2 อ, อย่างนี้ก่อนหนึ่งได้พบอาจารย์ในอาจารย์ Google ก็ได้อาจารย์ YouTube ก็ได้นะไม่ใช่อาจารย์คนนะแต่ว่าฟังแล้วเข้าใจอ่ะ น, นี้ฟังเราเข้าใจแล้วเราก็เริ่มนําไปปฏิบัติพิจารณาเออจริงนะแล้วเราก็ลงมือทําแต่ถ้าหากว่าเข้าใจเห็นด้วยแล้วถ้าไม่ลงมือทําก็ไม่เรียกว่ายในสูงนานสิการแต่เพียงสัญญาณเฉยๆนะลงมือทำํำด้านนั้นเองก็จึงอยากจะให้เราโอกาสอย่างนี้ซึ่งถูกธรรมะเขาเลิกสรรมาแล้วนะในประมาณ60คนนี่นะก็เหลือประมาณสักยี่สิคนนี่แล้นะก็ลองเอาไปทําอย่างจริงจังดู นะรับรองได้ว่าไม่ผิดทางอย่างที่เราฝึกมาเนี่ยคืออย่างน้อยที่สุดเราเข้าใจว่ากายกับใจของเราเนี่ยเป็นพื้นฐานที่รู้สึกได้ไม่ิงไม่ใช่สิ่งที่เราเราคิดเอาได้อย่างนั่งเนี่ยรู้สึกหนักมันก็หนักจริงจริงใช่ไหมรู้สึกสบายก็สบายรู้สึกไม่สบายก็รู้สึกจริงไอ้ความรู้สึกของจริงที่มีอยู่เนี่ยแล้วเอาใจของเราไปสัมผัสมันบ่อยๆแม้ว่าความจริงมันอาจจะไม่เป็นที่พอใจของเรากำ เช่นหนักไม่สบายร้อนอับอ้าวมันคือความจริงที่เราต้องรู้แต่ส่วนใหญ่เวลาไปที่ไหนสักแห่งมันเกิดอับอ้าวไม่สบายเราเราเราับรู้มัอนไหมเราวิ่งหาพัดลมวิ่งหาําวิ่งห า, า, งหาแอร์แทนที่จะโอ้หองรู้สึกร้อนไปอย่างงี้เนาะบางวันเดินที่สวสายๆมาก็เดินออกไปกลางแดดเออห้รู้สึกร้อนไปอย่างนี้เนาะก็ดูความร้อนของเราสนุกแทนที่เราจะร้อนมันกลับไม่ร้อนเลยเพราะได้เห็นความจริงเรากลับเกิดปิติในการเดินผ่าแดด แต่ถ้าคนทั่วไปที่ไม่เจริญสติเดินผาแดดร้อนริบวิ่งเข้ารม่มใช่ไหมเพราะเราไม่ยอมรับความจริงความจริงมันมี2ด้านใช่ไหมด้านลบด้านบวกด้านสว่างด้านมืดทีนี้เราก็จงใช้ให้เป็นประโยชน์นะดัง น, นั้นเองการมาพิสปฏิบัติเที่ยวเนี้ยเราต้องไม่เสียเที่ยวละแล้วก็วันนี้เป็นวันที่เราจะต้องพัดกันละเพราะแบ่งเป็นสองกลุ่มกลุ่มเก่ากับกลุ่มใหม่วันนี้ ให้กลุ่มเก่าเข้าลองดูสักครึ่งวันกลุ่มใหม่อยู่ข้างนอกนเต็มวันพรุ่งนี้ลองกลุ่มใหม่เข้าสักครึ่งวันกลุ่มเก่าเข้าเต็มวันนะลองดูว่าการไอสิสเรลหรือการแยกตัวเองเข้าไปอยู่ในห้องเนี่ยกับการอยู่ข้างนอกเนี่ยมันต่างกันอย่างไรควรู้สึกนึกคิดของเรานะเราไปนั่งดูตัวเองพอหากว่าคนไหนเข้าใจได้เนี่ยการปฏิบัติมันจะก้าวหน้าไปได้ไว พวกเรานึกถึงว่าไก่ที่มันจะออกลูกมาเป็นไก่เนี่ยมันมีขบวนการอย่างไรบ้างนึกออกไหมลองเล่าให้ฟังหน่อยเบื <S <S ้องต้นมันจะออกอะไรก่อน <S <S ออกไข่กลัวมันจะไข่หมดสมมื่เดือดสิบลูกนี่นะมันใช้เวลากี่วันมันไข่วันละฟองหรือสองฟอง บางวันก็ไม่ไข่เลยใช่ไหมแค่ไก่ที่ดีต้องไข่วันละฟองสมมุติว่าสิบวันหลังจากสิวันเนี่ยถ้าบรรนนอกของเราเขาไม่นิยมที่เอาไข่ไปขายนะเขาอยากเอาลูกมันก่อนเนี่ยมันจะฟักอีกกี่วันมันจะออกลูกจากที่มันจากที่มันหมดไข่แล้วเนี่ยต่อจากนั้นที่มันจะออกลูกออกเป็นลูกไก่เนี่ยมันใช้เวลาฟักอีกกี่วันฮะ ไม่มีใครเลือกไก่เลยที่นี่นะฮะสมสี่อาทิตย์ส4มถึงสี่อาทิตย์นะคือยีสิบวันถึงสาสิวันเพรามาเลี้ยงไก่ประจำถ้าหากว่าแม่ไก่ตัวไหนสมมติมันไข่ส0ฟองถ้าแม่ไก่ตัวนี้ฟักออกมาได้ถึง8ดฟองหรือ9้าฟองแม่ไก่ตัวนี้ดีมากแล้วก็ถ้าหากว่าเอาลงจากหลังแล้ว มันสามารถเลี้ยงลูกมันได้รอดทุกตัวนะเขาจะรั ก, กแม่ไก่แม่นี้มากเลยนะแต่แม่ไก่บางตัวไข่มาสิฟองพอฟักเหลือสามฟองหรือห้าฟองแม่ไก่ตัวนี้อนาคตอนาคตไม่ค่อยดีแล้วะฝักไก่ไม่เก่งนะพอผลออกจะลังลูกห้าตัวเหลือสักสองตัวอย่างเงี้ยไม่มีอนาคตแล้วเนี่ยเข้ามอแกงแน่นอนเลยไก่ตัวนี้เจ<ร>้าของไปเลี้ยงแล้วเพราะกไข่ก็ไม่เก่งเลี้ยงลูกก็ไม่เก่งนะ เหมือนกันนักปฏิบัติเราพอเจริญสติไประดับหนึ่งเนี่ยสักสองสามสี่วันนี่นะเราก็ลองไปกกไข่ดูคือไปฟูฟักสติของเราเนี่ยความรู้ตัวของเราเนี่ยให้ต่อเนื่องดูถ้าคนไหนสามารถฟูฟักสติตัว น, นี้ให้เข้มแข็งออกมาเป็นความรู้สึกตัวทั่วพร้อมได้ยาวแสดงว่าเปลี่ยนลูกไก่เป็นไข่เป็นลูกไก่ได้แล้วเปลี่ยนสัญชตาตญาณให้เป็นปัญญายาณได้แล้ว ความรู้สึกตัวพวกเข้มแข็งกว่าเมื่อก่อนถ้ามันเป็นสัญชตาตญาณอยู่มันเป็นไข่พร้อมที่จะแตกพร้อมเย็นเน่าพร้อมที่จะสัตว์อื่นเอาไปกินใช่ไหมแต่พอมันเปลี่ยนเป็นลูกไก่แล้วมันวิ่งหนีมันวิ่งหนีศัตรูได้แล้วนะแล้วมันพร้อมที่จะให้ไข่ต่อไปได้จิตของเราเหมือนกันในขณะที่มันวิ่งตามความชินชินสัญชตาตญาณเนี่ยเราต้องพยายามเปลี่ยนด้วยการเจริญสติแบบนี้คือต้องอบต้องลมต้องเข้าสู่ที่เฉพาะเหมือนไก่มันกบ ถ้าไก่ตัวไหนมันกกได้สักครึ่งวันมัไปหากินครึ่งวันกลับมาโกกใหม่หรือกกส3าชัมม่วโมงก็วิ่งไปหากินกลับมาโกกใหม่ไข่จะออกทั่วไหมไข่จะออกหมดัหมไม่หมดเพราะอะไรเพราะอุณหภูมิมันไม่พอมันจะต้องรักษาอุณหภูมิอย่างน้อยอย่าง 38-40 องศาเนี่ยให้ต่อเนื่องสักระยะหนึ่งมันถึงจะเปลี่ยนได้ การที่ <c oughs> เราเข้าเก็บอารมณ์หมาถึงว่าเราเข้าไปฟูมฟักรักษาสติให้มันโฟกัสอยู่ที่เดียวนานๆให้เกิดอุณหภูมิที่สูงขึ้นมาเรียกวัตบะหรืออัตาปีคือทําให้มีความเข้มขน้นเข้มแข็งขึ้นว่าการอยู่ตัวเองไม่ใช่อยู่ไม่ใช่อยู่ง่ายเลยใช่ไหมเออมันจะต้องโอ้โหคิดสรารพัดเรื่องนะแล้วจะทำงานให้โฟกัสให้มันอยู่กับที่เดียวมันจะอึดอัดมากเลยนี่นคือความร้อนอาตาปีต้องทน มันไก่ก็ต้องขยันฟักเพราะกูเบื่อเก่งขี้เกียจนี้ออกเวลาโดดจากหลังคนนี้จัดการพยายาโยงมาไปกินเรียบร้อยแล้วเงี้ยนะเพราะอะไรเพราะทนต่อความบีบคั้นของความรู้สึกนึกคิดไม่ได้คือไม่สามารถเอาสติสัญญาไปฟูงฟักสติสัญญาไม่เข้มแข็งพอที่จะเปลี่ยนความพิดให้เป็นขันติและความอดทนไม่สามารถจะเปลี่ยนความพิดให้เป็นสติสัญญาได้เพราะว่าความอดทนไม่พอ นะดังนั้นเองเรื่องนี้เป็นเหตุเป็นผลเป็นรูปธรรมที่ชัดเจนไม่ใช่เรื่องซับซ้อนอะไรแต่เนื่องจากว่าเรายังไม่เห็นกระบวนการทางนมามธรรมแล้วก็ยังนึกไม่ออกนะดังนั้นในช่วงเช้านี้ลําดับเรื่องนี้มาเพื่อเราจะให้เราเห็นว่าเรื่องตัวรู้สึกตัวเนี่ยสำคัญแล้วเราลองเอาไปศึกษาไปพิจารณาดูว่ามันสําคัญจริงว่าระหว่างลุกขึ้นทันทีกับลุกอย่างรูน้นิรุตตัวนะ่ะอันไหนมันมีคุณค่ามากักน การเขาก็เดินไปยังรู้สึกเนื้อรู้สึกตั ว, ก, ตวก็เดินเชิญๆไปเลยอันไหนรู้สึกว่ามันมีคุณค่ากว่ากันการรีบ ๆ, ๆๆกินให้มันอิ่มกับกินอย่างรู้เนื้อรู้ตัวกินอย่างมีสติสัมยะอันไหนมีคุณค่ากว่ากันเมืจะเกิดการเปรียบเทียบอย่างนี้ไปเรื่อย ๆ, regulate, ๆเกิดการศึกษาไปเรื่อยๆแล้วเราจะรู้จักเลือกว่าสิ่งไหนที่ดีกว่าเราก็จะทําสิ่งนั้นมากขึ้นมากขึ้นนั่นคือความหมายของการเจริญสติก็ขออนุโมทนา สาธุในความตั้งใจของพวกเราที่ต้องศึกษาเรียนรู้สำหรับใครจะ